แต่ลราเกิดความสะดวกเราก็เราลู้จากแผนที่ในการเดินทางเราก็ยึดแผนที่เอาไว้ตรงไหนเป็นอย่างไรตรงไหนเป็นอย่างไรจะ ต, ต้องไม่เสียเวลาการปฏิบัติก็อาจจะเป็นเชียนนั่นเหมือนกันบางทีก็หลงบ้างไอ้ข้องติดอยู่กับความหลง เสวเวลาก็มีบ้างเป็นบางโอกาสก็คิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ก็พอรู้จักทิศทางที่จะนำพาให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสะดวกจึงอาศัยคำพูดเป็นส่วนประกอบพูดก็พูดให้ผู้ปฏิบัติฟัง จึงแก่รู้เรื่องถ้าพูดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเช่นเราจเจริญสติผูนะ้ที่จเจริญสติก็ต้องรู้จักสติสติเป็นในกายในสติอยู่กับกายโูยที่มีสติอยู่กับกายก็คงจะรู้จักเมื่อมีสติก็จะรู้จักความหลง เมื่อรู้จักจความหลงก็รู้จักจแก้ให้เกิดสติเขาแก้แได้หลงบ้างแก้บ้างรู้บ้างหลงบ้างเห็นหลงเห็นรู้น ะ, ะกับประตูปิดเปิดแต่มันหลงก็รู้ได้นะแต่มันทุกข์ก็รู้ได้อะไรต่างๆที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวหัดมีสติความรู้สึกตัวเข้าไปเจี่ยวข้อง บางทีปฏิบัติมันตึงมันเครียดเรารู้จักให้รู้จักความพอดีตึงเพื่อจะหย่อนหย่อนเพื่อจะตึงมันอยู่พอดีพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบการปฏิวัติของ <c oughs> รัฐบาลพระรัฐบาลเห็นชาวเมือง เดนลีทวนในตอนเหนือของประเทศอินเดียสร้างความเพียรเดินจนพอเท้าแตกเอาไปใช่รัฐบาลโซนะัสโซนัโกลิวิตะเอาเอาน่องเดินน่องก็แตกเอาปลายเท้าเดินปลายเท้าก็แตกเอาข้างเท้าเดินข้างเท้าก็แตกลอยเดินจนเป็นเลือด ก็ไม่ได้บรรลุธรรมรองไห้คงหมดโอกาสลาศึกขาไปทำบุญทำทานเอาโสนานี่เป็นนักดนตรีแต่ไมเป็นหนุ่มพอมาลาศึกขาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามโสนาเธอเป็นทรงดนตรีเล่นดนตรีใช่หรือ เอาใช่าสายพินของเธอตึงเกินไปจะเพราะไหมไม่เพราะเพระเจ้าขาหย่อนเกินไปมันจะเพราะไหมไม่เพราะเพระเจ้าค่ะเธอจะทํำยังไงจึงจะได้เสียงพอดีพอดีก็ต้องเอาพอดีมนะาทำการปฏิบัติธรรมของเธอกวนกันต้องพอดี ต้องมีความพอดีตึงเพื่อหย่อนหย่อนเพื่อตึงให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ประสบการณ์เราเองอันที่มันจะตึงอันที่มันจะหย่อนพาสิ่งที่พาให้พอดีพอดีคื อ, ค, อความรู้สึกตัวในแล้วพอดีพอดีมันได้แบบมันมีแบบฉบับมันไม่เหมือนสายพินอาจจะเหมือนสายพินบ้างก็ได้แต่ว่าเอาจริงจงแล้ว ความรู้สึกตัวพาให้เกิดความพอดีความรู้สึกตัวพาให้เกี่ยวข้องกับกายกับใจได้อย่างเพียงพอพอดีพอดีแล้วเวลานี้เราก็มาเจริญสติให้รู้สึกว่าเรามาเจริญสติบางทีเราก็หาความคิดมาเอาเหตุผลคิดเา่าหาคำตอบจากความคิด บางทีก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่มาเจริญสติไม่ใช่ความคิดหาคำตอบจากความคิดใช่สมองไม่ใช่นะปฏิบัติธรรมต้องมีการกระทำต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวเนีถ้าจะตอบก็เป็นตัวเฉลยไปแล้ว เข้าข้างความรู้สึกตัวไว้เข้าข้างความรู้สึกตัวไว้จะหาคาตอบจากเหตุจากผลจากความคิดอ น, นัน์ไม่เอาไม่เอาจริงๆเอาการกระทาสร้างสติเอาแม้นมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเราให้มีสติเสียก่อนให้มีสติเสียก่อนสติจะเป็นผู้ที่เฉลยไปเองแม้จะเกิดปัญหายัางไงก็ตาม สม่ว่าเราเดินมันปวดมันเมื่อยบางทีคิดจะนั่งนั่งดีกว่าเอาความคิดารรมาทำบาทีนั่งอยู่คิดจะลุกลุกดีกว่าเอาความคิดารรมาลุกกว่านั่งอย่าให้ความคิดสั่งงานสั่งการจนเกินไปจะนั่งจะลุกมีความรู้สึกตัวเราจะลุกของเราเองเราจะนั่งของเราเอง เราจะนอนเราจะตื่นเราจะมีความเพียรถ้าเหนื่อยนักเมื่อยล้านักก็พักผ่อนได้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอมีกําลังอัที่อดหลับอดนอนไม่ได้นะอดข้าวอดน้ำก็ไม่ได้การปฏิบัติธรรมต้องมีความพอดีพอดีกับชีวิตของเราผู้หนุ่มก็พอดีสําหรับผู้หนุ่มผู้แก่ก็พอดีสําหรับผู้แก่ ความรู้สึกตัวเนะ่ยมันจะอยู่ในความพอดีไม่ใช่จะนั่งทั้งวันไม่ใช่จะเดินทั้งวันหมืนรัฐบาลเรียกว่าเปลี่ยนกันไปไม่มีสูตรสิเร็จนั่งนานเท่าไรหลวงพ่อเดินเท่าไรหลวงพ่อนานเท่าไรทบททําไวหรือทาช้าดีไม่ต้องนั้นเจออยู่ในความพอดีของแต่และโอกาส บางทีถ้ามันห่วงก็าอาจจะทาจังหวะเข้มแข็งสักหน่อยใส่ใจลงไปบางทีมันรู้สึกตัวก็ไม่ตรงไ้ทำเบาเบาเบาเบวางมือวางกายทำกายสะพางกายเบาเบาอย่าไปกดไปกึงความรู้สึกตัวมันเวี่ยงพอดีพอดีใส่ความรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวอย่ามีอะไรบังคับ อยากลูก่อยากเห็นก็ไม่เอาเจ็ดวันจะต้องเอาให้ได้เจ็ดวันจะต้องเอาให้ได้ไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ต้องไปเอาไปทําอะไรลู่ไปก่อนมันไม่ต้องเอาพริกมือขึ้นมาก็ลู่อยู่แล้วจะไปหาอะไรอีกขื่อนไหวไปมามันก็ลู่อยู่แล้วจะไปเอาอะไรไปอยากอะไรความรู้สึกตัวที่เราสร้างนี่ไม่ใช่ความอยากแล้วจึงทําไม่ใช่ มันเป็นกรรมมันเป็นกรรมมันเป็นการกระทําอยู่มันทําอยู่ในแล้วมันสมบูรณ์แล้วกายมันสร้างสติมันสมบูรณ์แล้วอย่าไปเอาความอยากอย่าไปเอาเหตุเอาผลมาประกอบต้องทําทั้งอยากทั้งทําทั้งอยากมันไม่ไม่ใช่หรอกเหมือนกับเราขุดดินหลุมหนึ่งเกตสิบบาทห่วงเม็ดยาวเม็ดลึกเม็ดเขาจ้างเกตสิบบาท คนหนึ่งขุดไม่ต้องมีความอยากได้ขุดไยคนหนึ่งขุดเพื่ออยากได้เงินทั้งอยากได้กูจะเอาให้ได้กูจะได้เงินเจ็ดสิบบาทกูจะได้เงินเจ็ดสิบบาทโอ้กูต้องขุดดินกูจะได้เงินเจ็ดสิบบาทมันสิ้นเปลืองพลังงานทั้งสองส่วนทั้งกายทั้งกิตด้วย คนหนึ่งก็ขุดด้วยความสนุกสนานล่องเพลงไปขุดไปไม่ต้องไปยุ่งไปยากไม่ต้องไปยากเลยขุดไปพอเสร็จลุมหนึ่งค่วงเ ม, วม็ดยาวเม็ดลึกเม็ดมันก็ได้เงิน70บาทเช่นเดียวกันการทำใดๆก็ตามบางทีต้องรู้จักใช้กายใช้ใจของตนให้เกิดความพอดี แม่จะ ก, ก, กวดบ้านกวดบ้านเมื่คนก็อยากขี้เกียจขี้คลาดกวดบ้านด้วยความยากกวดบ้านด้วยความขี้เกลียดมันก็ไม่ได้กวดก็กวดไปเฉยๆรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปไม่ต้องไปเอาความยากไปใต่อเอาความยากความง่ายไม่ต้องไปเอาอออะไรที่มีเหตุมีผลคนนั่นทําให้โกค ล, ลุงรังคนนั่นไม่ช่วยคนนี้ ดีเขาน้นไม่ดีไม่เอาเป็นกิริยาที่กวดบ้านกิริยาที่แสดงออกมีสติลงไปไม่ใช่เป็นความยากความขาอยู่กับการกวดบ้านถูเหลือนทำอะไรก็ตามนะลองมีสติลองดูชีวิตจะพอดีพอดีชีวิตจะนิ่มนวลพอดีได้จังหวะพอดี ใจกายใจใจพอดีพอดีมันถูกต้องแล้วขอพอดีนะไม่รีบไม่เล่งไม่อะไรมาเจียวข้องมากมว่าโดยเฉพาะทำความเพียรไหนมันเป็นความพอดีอยู่แล้วนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปกับกายเคลื่อนกายไปเนี่ยอย่าไปหาอะไรอีกเอ็กมือขึ้นก็รู้แล้วโอ้เรามาสร้างตัวรู้่นอะตัวรูน้นี่ตัวรู้นี่ โอ้ทำไมเราปฏิบัติทำไมปฏิบัติไม่ได้หรือไม่เห็นมีทุกตรงไหนไม่ได้เวียดเวียนตนไม่ได้เวียดเวียนคนอื่นอา้าวคิดไปแล้วไม่เอาเราสร้างตัวรู้เราสร้างตัว ร, รูว้เป็นสมบัติของเรามาสร้างให้มันมีไปกับกายให้มันมีไปกับจิตใจ กายที่มันแสดงออกใจที่มันแสดงออกรู้สึกตัวให้มันเคยคินตรงนี้เอาไปเอามาจนสติจับกายมาใช้เอาไปเอามาสติจับจิตใจมาใช้สติจับตามาใช้สติจับหูมาใช้อะไรก็ตามทั้งหลายทั้งปวงกายใจเป็นครังของสติสติเป็นเจ้าของนั่นปลอดภัยระบาดแล้วไม่ไม่ไปแล้ว เป็นยังไงชีว hehe, titled, so ję, ิตเรากายอะไรเอาไปใช้ความคิดเอากายไปใช้ความหลงเอากายไปใช้จิตใจอะไรเอาไปใช้ความคิดในจิตมันก็คิดไปเองคิดขึ้นมาเองเก็บปวดเองคิดขึ้นมาเองโกรธเองคิดขึ้นมาเองทุกข์เองคิดขึ้นมาเองรักชังเอาเองมันความหลงเอาไปใช้ใช่ผิดผิด อะไรเอากายเราไปใช่อะไรเอาจิตเอาไปใช่ครึ่งบาปครึ่งบุญวันนี้เราพยายามสร้างความรู้สึกตัวนี้ให้มีความรู้สึกตัวหัดใช้เอากายเอาจิตมีสติอยู่ด้วยกันสามอย่างแต่ว่าทำใหม่ๆอย่าไปยุ่งกับจิตแม้นจิตที่มันแสดงอะไรก็ตามเอาไ้ก่อน เข้าข้างกายไว้ก่อนพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับคิดอย่าไปยุ่งกับความคิดเหตุผลอันนั่นดีอันนี้ไม่ดีอันเฉลีิดนิสัยเราเป็นอย่าง อ, อย่างนี้ไม่มีจะเป็นจริีแบบไหนก็ตามถ้าเจริญสติแล้วหรือว่าชอบแล้วลาาราคารฉลีโทสะเฉลตโมหะจริีสติอย่างเดียว บางคนว่าโทสจลิตรร ต, ต้องแผ่เมตตาราคะจลิตต้องมองอสุภรกรรมาทานโมหะจลิตต้องเจริญพุทธานุสติอะไรมนก็ถทุกเป็นความทุกข์อยู่แต่ว่าการเจริญสติเนี่ยมันเป็นการจับสายบังเหียนของชีวิตเราได้จริง ความชอบเก่งๆเราจะทำยังไงจึงจะมีสติต่อเรื่องอยู่กับกายรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่ต่างหากจะไปเอาอะไรมาเป็นกฎเป็นเจนแล้วกฎเจนมีเยอะแยะนะวิธีปฏิบัติธรรมเยอะแยะมากมายของพ่อก็เคยไปศึกษาเคยไปปฏิบัติเคยไปสอน คู่กับวิธีอื่นๆหลายรูปแบบอ่าวิธีปฏิบัติธรรมหลายรูปหลายแบบหลายรูปแบบขนาดไหนก็ตามมันต้องเป็นหนึ่งสัจจธรรมจริงต้องเป็นหนึ่งเดียวการมารูปมทำจริงๆต้องเป็นหนึ่งเดียวคือหมดทุกนั่นแหละไม่มีหลงนั่นแหละเอา้าตัวหลงมันก็ไม่ยากก็คู่กับความรู้นี่เท่านั้นเอง ตัวหลงคู่กับความรู้เท่านั้นเองตัวรู้คู่กับความหลงเท่านั้นเองเหมือนกับความมืดกับแสงสว่างต้นเหตุต้นสายไปเหตุของชีวิตเราจริงจริงอา้าวมันมีแต่ตัวรู้ตัวหลงดูตัวเราตั้งแต่ชีวิตเกิดมาถึงวันนี้อะไรมันมากกว่ากันระหว่างความรู้กับความหลง เราไปโทษไปไภอะไรเท่ไหนทําไมเราจึงหลงทําไมเราจึงโกรธทำไมเราจึงทุกข์ทำไมจึงทะเลาะวิวาทกันเพราะความหลงเป็นเหตุเอาไปเอามาตัวหลงนี่แหละเป็นมารดาของความของอคุศสและธรรมทั้งหลายเรามาสร้างสติสมน้ำสมเนื้อกันเลย ความหลงที่เกิดขึ้นกับกายความหลงที่เกิดขึ้นกับกจิตความหลงที่เกิดขึ้นกับตากับหูกับลูบรสจินเสียงเราต้องฝึกเอาไว้ถ้าไม่หลงตรงนี้เราไม่หลงเลยอันเดินก็อันเดิน ก, น, เดนก็สงบไปเลยสัมรวมไปเลยไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาไม่ต้องไปหนีผู้หนีคนใช่กายใช่ใจเรานี่ยมันไม่เห็นยาชัดเจนลงไปอ มันก็พอใจจริงๆนะนี่มือเราปิกมือขึ้นดิกหัวมันใส่รู้จริงๆรู้จริงๆพามันหลงไปกลับมาได้จริงๆเอาไปเอามาตัวหลงหนลยมันเป็นเป็นการถึง อ, อกถึงใจได้ได้ได้รู้เมื่อเวลามันหลงถึง อ, อกถึงใจจริงๆ มันก็ดเราได้ช่วยลูกเวลามันจะตกบ้านตกเรือนช่วยไปทันจับขาจับแขนไปทันโอ้ไม่ฝีมือตอนนั้นนะมันะ่นใจจริงๆริงนะหลวงพ่อสมัยเป็นเด็กไปเลี้ยงควายกับน้องนะน้องหลวงพ่อเป็นเด็กนะเอาควายไปลงน้ำแล้วเราก็ยังถอดเสือ้อถอดผ้าไม่ได้ พอน้องก็เรามันไม่ไ ม, ไม่ผ้ามันก็ไม่นุ่งอะไรมากมันก็โดดลงไปก่อนหลวงพ่อเลยหลวพ่อกลัวจะถอดเสื้อผ้าได้กระโดดลงไปตามน้องลงไปน้องโจมปอดพอดอยู่กลางห้วยเนาะโดดลงไปไปจับนอ้องอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมามันสำลักน้ำหอบน้องขึ้นพฝังห้วยชันๆเลยทุลักทุกเล โอ้ยไม่คิดทุกทกวนเนี่ยแต่ถ้ากูไม่มีตรงนะั้นน้องกูต้องตายแน่ๆภูมิใจภูมิใจการช่วยคนอื่นการช่วยตัวเอยงยิ่งภูมิใจนะช่วยเวลามันหลงให้มันเกิดความรู้เนียอ้ยมีฝีมือมีฝีมือยงเก่งนะตรงนี้แหละชีวิตเราเอาตรงนี้ไว้ให้ได้ถ้าเอาตรงนี้ไว้ได้ไม่ต้องกลัวนรกไม่ต้องกลัวเปรตไม่ต้องกลัวสุรกายไม่ต้องกลัวสัตว์เดรัจฉาน เรากลัวสิ่งเหล่านั้นแต่เราไม่รู้จักช่วยตรงไหนกลัวจริงๆตรงนั้นกลัวจะเป็นทุกข์กลัวจะเกิดจะแก่จะเก็บจะตายบางทีแม้แต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายก็ตรงนี้เหมือนกันเอาไปมามันก็ไม่เมลไยชีวิตของเรานะแต่เราไม่รู้ตรงไหนเจ็บก็เจ็บหมดเนื้อหมดตัวตายก็ตายแก่ก็แก่เกิดก็เกิดเกิดดับเกิดดับชีวิตของเราเนี่ย มันเกิดดับจุบร็นความหลงนี่แหละความเกิดมันต้องเกิดตรงนี้ก่อนถ้าไม่หลงมันไม่เกิดหรอกความรู้สึกตัวเป็นการคุมกำเนิดของสังขารทั้งหลายมันไม่เกิดนะก่อนที่จะรอบวิวาทกันก่อนที่จะไปหลงไปอะไรกันมันต้องเกิดตรงนี้แหละกำเนิดมันอยู่ตรงไหนตรงภาวะที่หลงเนี่ยชีวิทเราน่อยๆมีประตูน่อยๆปิดได้ด้วยมือเรา ถ้าจะเป็นนรกก็ปิดตรงนี้ถ้าจะเป็นเปรตก็ปิดตรงนี้เป็นอสุรากายก็ปิดตรงนี้นะเหมือนกับเรื่องอะไรที่ว่ามีคนตายไปพรตายไปเท่านั้นเท่านี้เกิดมาไปเห็นนรกเท่านั้นไปเห็นสวรรค์อย่างานู้นนั่นลออถูกของเขาเออถูกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเรา เรื่องของเราที่เดี๋ยวนี่ปัจจุบันนี่ไม่ต้องรอโอ้ตายไปแล้วจังจะได้ไปโน่นไปนี่ไม่ใช่แม้จะเป็นสวรรค์ในฟานก็เปิดประตูให้ตัวเองเดี๋ยวนี้รู้สึกตัวเดียวนี้รู้สึกตัวเดียยเด๋ยวนี้เย็นเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้อย่างนี้นะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัััตงเปป็นปจจุบันถ้าสิ่งไหนไม่เป็นปัจจุตังไม่ใช่หรอกต้องรู้เดี๋ยวนี้รู้ได้เฉพาะตนเดี๋ยวนี้ เออมันอยู่ตรงนี้แล้วเดินีหนอยู่ตรงนี้แล้วเดินี้นไม่ไปที่ไหนแล้วได้ที่ได้ทางได้ที่ได้ทางไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วในปัจจตังอยู่ตรงนี้ได้ที่ได้ทางได้ที่ได้ที่อยู่ เ, ออเรียกว่าวิหารธร ร, รมตาจะว่าแล้วในการปฏิบัติธรรมทำเท่านี้แหละทำเท่านี้หรือหลวงพ่อทำเท่านี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่เท่านี้นะ ความรู้สึกตัวมันเคยไรเป็นศีลแล้วรักษาศีลแล้วความรู้สึกตัวมันเคยไรสมาธิแล้วความรู้สึกตัวมันเคยไรปัญญาแล้วคำสอนทั้งหมดรวมรงที่ศีลสมาธิปัญญาศีลช่วยแล้วสมาธิช่วยแล้วปัญญาช่วยแล้วจนไม่มีปัญหาน่ะความรู้สึกตัวพาให้ไม่เป็นอะไร ไม่มีไม่เป็นกับอะไรความรู้สึกตัวได้ที่ได้ทางเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัติที่ติดต้อยห้อยตามเราไปทุกลมหายใจไม่ใช่อยู่ตรงไหนเราพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนมารดาบิดาอุปการละคุณเปรียบเทียบเสมือนพ่อเหมือนแม่ของกายของใจสติความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของของกายของใจไม่เถื่อน ใครจะหอบเพยวไปไม่ได้แล้วมีเจ้าของแล้วบัดเนี้ยรักษาแล้วอ่ะทำโล่ทำย่อมรักษาผู้ประพัดผู้ประพฤติทำเป็นนิดทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทำเป็นนิดเนี่ยมีความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของเราตื่นแต่ดึกสึกเตือนนมอย่างนี้แหละอย่ารอให้เท่าให้แจกชีวิตของเราต้องมีส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งถ้าไม่มีตรงนี้เสียชางอดเก่งๆแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็สร้างได้นี่นะ ไม่ใช่สร้างไม่ได้นะเราจึงเพียนจังหน่อยก่อนประสบการณ์จังหน่อยก่อนเราทําวันนี้มันไม่ใช่วันนี้ต่อไปมันจะได้อีกวันต่อต่อไปมันต่อต่อไปเพราะมันติดนะมันเป็นตรานะเราเคยเจริญสติ อ, อ้าไม่รู้อะไรวันนี้ต่อไปว่าจะเจริญปุ๊บชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ได้จวนเจียนเข้ามา สมมติคนใกล้จะตายนะอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วพี่น้องก็ช่วยไม่ได้แล้วเจ็บก็เจ็บปวดก็ปว ด, ปวดอะไรก็ไม่ไหวล้วก็กลับเข้ามาหาตัวเนี่ยได้นิพพานตอนใจจะขาดห้านาทีก็ได้จะว่าไงแล้วคนไม่ฝึกนหลงแล้วมนะั้ยมืดมนไปเลย <c oughs> มืดมนไปเลยเคยไปช่วยคนใกล้จะตายให้รู้เรื่องเลยบางคนบอกให้มีสติก็ไม่รู้อะไรเลย แต่ถ้าคนเคยปลึกเนีก็เคยมเคยไปช่วยเพียงแต่เอามือไปจับมือไหนรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหมนอนคลางล่องอยู่โรงพยาบาลจังหวัดเลยไปจับมือรู้สึกตัวไหมประตูเอารู้สึกตัวอรู้สึกตัวไหนมือข้างซ้ายอยู่ไหนเพิกดูเขาก็พลิกมือข้างซ้ายไหนมือข้างขวาอยู่ไหนเพิกมือข้างขวาดูเข า, าก็เพิกมือข้างขวาให้ดู เอาพัตู้อยู่นี่นะพิกมืออยู่นี่นะพอบอกให้พิกมือเขาก็หยุดร้องทันทีเพิกมือสองสามรอบนอนหลับว่ายไม่ร้องเลยไม่ปวดเลยเนีย่ยมันถล้ําเข้าไปได้นะอย่าประมาทแม่บุญเนี่ยน้อยก็อย่าประมาทมันมีมันช่วยเราได้ <c oughs> บาปก็น้อยก็อย่าประมาทเราจึงฝึกว่า ย, ยามสงบเราฝึกยามศึกเรารบจําเป็นมากๆการเจริญสติ เพราะทุกวันนี้เหตุปัจจัยที่ให้เกิดความหลงมากกว่าสมัยก่อนเรามีเพื่อนมีมิตรมีลูกปีเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆมากมายวัตถุที่ทําให้เกิดความหลงมีมากสิ่งที่สร้างให้เกิดความหลงมากแม้แต่ใบหน้าเรา ก, รา ก, าออก็ก็สร้างให้เกิดความหลงของอยู่ของกินก็สร้างให้เกิดความหลง มากมายอากาศขึ้นส่ง้าเขายึดไปเพื่อให้ผิดความหลงข้อมูลข่าวสารต่างๆมาทางดาวเทียมมาู่บนหน้าบนตาของเราทำให้เราได้ข้อมูลผิดๆเยอะแยอะอย่างลูกหลานเราทุกวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อน คนมีลูกทุกวันนี้ไม่เหมือนคนมีลูกสมัยก่อนคนมีผัวมีเมียทุกวันนี้ก็ไม่มีไม่เหมือนคนมีผัวมีเมียสมัยก่อนแมนบอพอตู่พอยกเนาะหลุนพวกเข้าเกสสิบกว่าปีเนี่เนาะแต่ก่อนท่านพ่อเป็นคือคนเสมอีเด้เนาะลูกเต้าก็ไม่เหมือนคนทุกวันนี้ฮะเวลาเย็นข้าวเย็นแล้วเอาหอมานอนกายขาพ่อขาแม่ให้พ่อแม่เล่าเนื้อหาให้ฟังอันนี้เขาไปนั่งอยู่ต่อหน้า ต่อหน้าจอทีวีเขาไม่เขาไม่มาหาพ่อหาแม่แเราก็ได้ข้อมูลอะไรผิดๆไปจะแยกไปหมดเลยแล้วก็ไม่เหมือนคนโบราณเป็นคุ้มเป็นค่วงเอ่น้องลูกเต่าอยู่บ้านรอบข้างพ่อข้างแม่เดี๋ยวนี่เป็นอย่างไรเป็นกำผ้าลูก เป็นคําพ่พอแม่ไปคนละทิศละทางจิตใจก็ไม่ค่อยจะดีพิตกกังวลหลายอย่างทุกวันนี้หัดตะวันเสาร์ฝึกหัดตะว้นตะลู้ตรงนี้เสิแล้วเนี่ยโอ้ยพึ่งกันได้จริงๆงไม่เป็นอีกแล้วไม่เป็นอะไรอีกต่อไปแล้วถ้าเป็นความรักพ่อรักแม่รักผัวรักเมียเราก็เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีแล้วรักกันจริงจริงก็เป็นคนดี เป็นคนดีของผัวเป็นคนดีของเมียเป็นคนดีของพ่อเป็นคนดีของลูกเป็นคนดีของเพื่อนแล้วรักกับเก่งๆเป็นคนดีไม่มผิดศีลไม่ผิดธรรมนะความรักเริงๆมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่รักโดยความคิดงงไร้อาไรอาวรอันนั้นไม่ใช่ความรักมันหลงรักคิดถึงจนนอนไม่ได้กินไม่ได้ไม่ใช่รัก หัวลักเมยต้องกินให้อิ่มนอนให้หลับต้องเป็นคนดีมั่นใจมั่นใจอย่างนี้นะคหลักลักเพื่อนก็เป็นคนดีของเพื่อนไม่มีวันที่จะเป็นอื่นเพราะอะไรมันปกติแล้วกายใจไม่ปรุงไม่แต่งหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวถ้าเป็นผัวเป็นเมยก็หนึ่งเดียวเป็นเพื่อนก็หนึ่งเดียวไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงถ้าฝึกตนเองได้ ตนเองก็พึ่งตนเองได้มีกายก็พึ่งได้มีใจก็พึ่งได้เอากายมาทำความดีเอาใจมาทำความดีไม่จินต์เล่าไม่สูบุรีไม่หลงไม่โกรธไม่เป็นอะไรเลยเพราะรู้สึกตัวเป็นเจ้าของความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของใช่กายใช่ใจถูกต้องอันนี้ส่งมากมายการเจริญสตินะอย่าไปประเมินไปปฏิบัติทำอย่าประเมินนะ สร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของกายความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของจิตใจไม่ใช่ความหลงดอกความหลงไม่ใช่ไม่แต่เป็นโทษเป็นภัยเห็นความหลงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยโอ้หมันไม่ใช่ของเล็กน้อยนะเห็นไหมเห็นมันหลงไปกับความคิดไหมอ่ะเห็นไหมเวลามันคิดไปกับปุริลมไปสุรินใช้พรมจีเครั้งแล้วมาอยู่สองวันเนี่ยป๊อปไปแล้วโอ้ รู้เชื่อตัวกลับขึ้นมาได้เจ๋วเลยทีเดียวโอ้มันไปแล้วน้อเนี่ยกลับมารักษาปฏิบัติธรรมก็คือมาดูแลกายใจของเราดูแลให้คุ้มรักตัวเองก็ต้องอยู่กับตัวอย่างนานๆ น, นีนสติอยู่กับกายกับจิตนานๆ น, น, นี่คือความรักนะถ้ากายใจสติอยู่ด้วยกันนานๆเนยโอ้ตรงนี้เลยไม่เกิดไม่เจ๊ไม่เจบ ไ, ไม่ตายตรงนี้แหละ นานเท่าไหร่มันไม่ค่อยนานไปแล้วกลับมาตอนที่กลับมาเนี่ยนะมันจะเก่งนะถ้าถ้าไปแล้วไม่กลับเนะี่ยไม่เก่งนะมันจะเก่งตอนรู้จักจกลับมาเนี่ยแหละทุกครั้งที่มันหลงไปกลับมาได้กลับมาได้กลับมาได้กลับมาได้โอ้ปฏิคือกลับมแบบนี้ปฏิคือกลับตั้งไว้ที่เก่าตั้งไว้ที่เก่าออมันจะคิดอะไรได้หรือหลวงพ่อไม่ให้คิดอะไรโอ้ความคิดมันมี ตั้งใจคิดน่ะนะสติปัญญานั่นแหละเอาความคิดมาใช้ก็ยังบอกอยู่ไม่ใช่ความคิดใช่เราความคิดใครเราคิดจนนอนไม่หลับก็ไม่นะอันเราใช้ความคิดเนี่ยมันเมื่อจับมันมาใช้แล้วเมื่อหยุดเราก็วางไว้ตรงนั้นแล้วไม่ใช่ความคิดเดี๋ยวนี้มีแต่คิดแต่คิดส้อนให้กันคิดแต่ใช่ความคิดมันดีความคิดมันใช่เรามันไม่ดี คิดมันมีสองอย่างตั้งใจคิดกับมันขโมยมันละคิดตัวละคิดนี่มากนะเห็นไหมมันลักคิดไม่ได้ตั้งใจเลยป๊อปไปแล้วอ๋อบางทีสิปีมยังก็มาคิดนะยี่ปียังก็มาคิดไปข้างหน้าบ้างคืนข้างหลังบ้างคนหนุ่มก็คิดไปข้างหน้าคนชราก็คิดคืนข้างหลังไปนะปัจจุบันเลยทิ้งอ้างว่างไว้เลยเลยเราจึงมีปัจจุบันทําไมเราจึงมาสร้างสติ มันยากหลวงพ่อนั่งอยู่สบายกว่าเอาเรามาสร้างให้มันเป็นปัจจุบันอาศัยนิม็ดปัจจุบันเหมือนเวลานี่ถ้าจะเปรียบชีวิตเราเหมือนน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําต้องมีหลักเกาะเอาไว้เดี๋ยวมันจะพัดลงไปเกาะเอาไว้เกาะเอาไว้มันก็ผ่านไปมันก็ผ่านไปเราก็ทวนไว้ทวนไว้พระพุทธเจ้าตัดสรู่ด้วยการทวนแบบนี้ทวนกระแสแบบนี้เกาะเอาไว้เกาะเอาไว้ พระพุทธเจ้าเสี่ยงถาดถาดทองฉันข้าวนางสุชา่าแล้วเสี่ยงถาดถ้าจะได้ตัดฉลูเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดทองไปในไหลทวนกระแสน้ำถ้าไม่ได้เป็นพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสลูขอให้ถาดทองไปในไหลไปตามน้ำอ น, นั้นเป็นปุกราธิฐานถาดทองคือชีวิตจิตใจเนี่ยเป็นภาชนะรองรับรถของพระธรรม รู้สึกตัวรู้สึกตัวทวนเลาไว้ทวนไว้ให้มันเป็นปัจจุบันมันจะไป mm. อด <ande> ีตมันจะไปอนาคตกลับมาไว้ๆมาเกาะหลักเอาไว้มาเกาะเอาไว้ให้มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้ามีสติได้อยู่กับกายได้อยู่กับจิตใจได้อยู่ด้วยกันลราจะเป็นหนึ่งแล้วบ้าเนี่ยอยใจก็คือรู้สึกตัวคือนําลายคือรู้สึกตัวอะไรก็ตามเคลื่อนไหวไปมาคือความรู้สึกตัวความคิดอะไรคือความรู้สึกตัวเป็นหนึ่งแล้วบ้าเอตคตาแล้วบัา จิตเป็นหนึ่งแล้ววนะนนั่นแหละนั่นแหละจบแล้วการศึกษาชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตอื่นที่จะต้องทําไม่มาอีกแล้วปานนั่นนะการเจริญสติเนี่ยการเจริญสติในปานนั้นแหละมันติดอย่าประมาทหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงก็โอ้มันก็ติดของเรามันเป็นตาอยู่เคยทําแบบนี้เคยทําแบบนี้พลิกมือบางทีเรานั่งรถไปอาจจะคิดเถินไปท้อทิบย์ท้ ทิศทัวทางกลับมากระเด็กนิว้วลูบสึกตัวเวลาอยู่กรุงเทพรถติดก็ไปบน่นเออมันลอนมันรถมันติด ท, ทําไมทําไมเอากลับมาลูบสึกตัวกลับมาลูบสึกตัวกระเด็กนิ้วมือลูบสึกตัวเวลาทํางานอ่ามากๆเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะรีบมากๆก็ลูบสึกตัวใส่ความลูบสึกตัวลงไปได้พักผ่อนลูบสึกตัวที่ใดได้ได้พักผ่อนไม่สิ้นเปลืองพลังงานทำลูบสึกตัวพักผ่อนสุขภาพก็ดีนะ สุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีนิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสุขภาพเดี๋ยวนี้เขาเขาได้หลักแล้วนะหลายหลายประเทศก็ได้หลักกิจใจเขานิ่งนะคนเป็นโรคมนเร็งนี่นิ่งอย่างเดียวนิ่งกิจใจอย่างเดียวรักษาโรคนิ่งถ้าเรายิ่งพวกเราเป็นหมอช่วยเขาได้ด้านจิจใจนิ่งเอาไว้จับนิ้วมือเว็บนิ้วมือนิ่งให้เขานิ่ง อ่าไม่เป็นไรนะนิ่งไวใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดเขาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้กขาฟังเดี๋ยวหมอจะช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกับเพื่อนหน้าหิวมาจับมือเพื่อนเป็นไงเพื่อนไม่เป็นไรนะอ่าเขาว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันอ่าบอกตัวเองก็ได้บอกคนอื่นก็ได้หัดเลยเลยใสกิริยามารยาทคาพูดจาป่าใส ลักษณะทา่าทางของคนมีสตินะไม่สิ้นเปืองถ้าคนไม่มีสติลูกเรี่ยลุกล้กลนหน้าด้อมขาเครียดกายก็ชิดกายก็ยากลํำบากหาใจมันเน่งอย่างเดียวเนี่ยโอ้ถนอมถนอมชีวิตนะคิดเนี่ยมันสิ้นเปืองนะหมกมุ่นคนคิดมันสิ้นเปืองพลังงาน <c oughs> แต่คิดมากๆเนี่ยไม่ดีแน่นอนก็หลงนะก่อหยุดเ่ะ รู้สึกตัวมันก็หยุดทำงานอยู่มันก็หยุดเหมือนอาจารย์พุทธะว่าทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาฉันไม่ได้ทำอะไรเลยพอมันนิ่งสภาพจิตใจนะนี่เรามาเปิกตัวนี่รู้แล้วล่ะว่าเรามาเจริญสติอะไรที่ไม่ใช่สติมันจะเข่งมันจะรู้มันจะไปไหนยาไปมันจะสุขก็ยาไป มันจะรู้ก็จะไปมันจะไม่รู้ก็จะไปเป็นผู้รู้เป็นผู้ไม่รู้ไม่ออกรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้ปฏิบัติทำทำตรงนี้ให้แม่นยำชัดเจนะให้รู้สึกตัวอะไรก็ตามรู้สึกตัวรู้เบาเบาเคลื่อนไหวเบาเบาอมยิ้มไว้ในใจเคลื่อนไหวเบาเบาคุยทำอยู่นี่แหละมันจะเป็นอะไรก็รู้อยู่นี่แหละรู้อยู่นี่แหละรู้น่อยๆตั้งต้นให้มันดี ปฏิบัติทำมันจะไม่ยุ่งไม่ยากถ้าทำด้วยความอยากเดี๋ยวก็จะเห็นเองแหละอยากได้ก็ได้อดื่นไปแหละบางทีคิดไปก็หลงความคิดหลอกตัวเองเกิดในิมิดขึ้นมาเกิดลู่ขึ้นมาบาดทีก็เพ่งลงไปก็เพ่งเท่าไหร่ระวังเท่าไหร่ยิ่งไม่ดีนะไม่ใช่ระวังนะลู่เนี่ยไม่ต้องระวังนะลู่สึกตัวความลู้สึกตัวไม่ใช่เคร่งไม่ใช่จ้องไม่ใช่ระวัง กลัวมันจะหลงไม่ใช่แบบนั้นนะอย่าไปกลัวมันจะหลงให้มันหลงลงไปจะได้รูม้มันไม่เป็นไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่นียมันหลงปั๊บก็รู้มันไม่เสียหายความหลงไม่ ท, ทําให้เสียหายเพราะว่าภาวะที่รู้สึกตัวนะไปเกี่ยวกับอะไรเรียบไปเลยนะความหลงไม่เสียหายความผิดก็ไม่เสียหายถ้ารู้สึกตัวนะพอมันผิดเหล่ารู้สึกตัวพอมันหลงเหล่ารู้สึกตัวพอมันทุกข์เหล่ารู้สึกตัวพอมันสุขเหล่ารู้สึกตัว ดีทําให้เลียบไปทําให้เลียบไปมันตัดขึ้นมันตัดมันตัดมันตัดกรรมมันตัดกรรมความรู้สึกตัวทําให้เลียบไดปความหลงเป็นขึ้นความสุขความทุกข์เป็นขึ้นถ้ารู้สึกตัวทําให้เลียบไปเลียบไปเอาสิ่งที่มันผิดผิดถูกๆูมันรองรอบความรู้สึกตัวทําให้เลียบไปเลียบไปถ้าความรู้สึกตัวผ่านไปตรงไหนตรงนั้นมาเก็บเลียบ องพ่อเคยเปรียบเทียบมันไม่กวาดไม่กวาดในผ่านไปตรงไหนตรงนั้นก็สะอาดความรู้สึกตัวมากเกินรู้สึกตัวตรงไหนมันสะอาดมันเรียบมันบริสุทธิ์นะเป็นอย่างนั้นทันทีความรู้สึกตัวทันทีเลยไม่ต้องรอแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวแต่รู้สึกตัวแล้วชอบแล้วอยู่โดยชอบแล้วสเกเมีพิกเวพิคุสัมมาวิหารเลยยุง่ง สุญโยโลโกละหันเตหิอัตสักิกษูทั้งหลายเมื่อเธออยู่โดยชอบมีสติสมชัญญะโลกจะไม่ว่างจากพราละหันพระพุทธเจ้าตัดจากนี้นะอยู่โดยชอบคือความรู้สึกตัวนะมีสติอยู่โดยชอบไม่ใช่อยู่สุกตไม่ใช่อยู่ตรงไหนอยู่กับความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของเราแต่เวลานี้เรามาเป็นกันและกณมิตรกันอยู่ร่วมกัน จริงรก็อยู่ของเราเองรู้สึกตัวไม่ใช่อยู่สกุลตัวเนา ะ, ะเราอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยเราไม่ได้อยู่สลาหอใจเราไม่ได้ชอยู่กติไม่ใชอยู่สลาไก่ไม่ใช่อยู่สลาหนะ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวเราอ่าฝันีนก่อนในฟังเนาะสมควรเจเวตา